ถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามใหญ่มากแล้วก็ถามกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าสมัยนี้อาจจะถามกันน้อยลงก็คือคำถามว่าเกิดมาทําไมคําถามนี้ก็มีคนพยายามให้คําตอบเช่นที่เราอาจจะได้ยินกันใ บ, บ้ๆคือว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้ก็ เป็นคำตอบที่ชวนให้ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อจะใช้หนี้แต่ว่าบางท่านก็ให้คำตอบที่ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตก็คือเกิดมาเพื่อที่จะได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์ควรจะได้อันนี้ท่านอาจารย์พุทธาธก็ให้คำตอบในทํานองนี้ เพื่อทำให้เราเห็นว่าใอ้ความเป็นมนุษย์ที่เราได้ครองอยู่นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเหมือนคุ้มทรัพย์ที่เราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์อ๋มอมนี้งานหนึ่งคำถามยิ้มก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เลือกจะเกิดมาเหมือนไม่เหมือนถามว่าทำไมเรียนวิชานี้ทำไมเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ทำไมแต่งงานคนนี้อันนี้เราตอบได้เพราะว่าเราเป็นคนเลือกแต่ว่าในเรื่องการเกิดมาเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเราเลือกได้เราก็คงตอบได้ว่าเราเกิดมาทําไมตอนนี้แง่นี้ก็อาจจะตอบได้ไง่ายๆว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไม <oz. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะเกิดหรือไม่เกิด สำหรับศาสนาที่เขามีพระเจ้านะเขาก็ตอบได้ว่าเอออันนี้ขึ้นอยู่พระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนให้เราเกิดมาเราก็ต้องถามพระเจ้าว่าจะให้เกิดมาทมําไมเพราะฉะนั้นคําถามว่าเกิดมาทําไมมันก็ยังเป็นคําถามซึ่งหาคําตอบได้ไม่ลงตัวแต่ว่าถ้าเราถามอีกคาถามหนึ่งอันนี้น่าจะตอบได้มากกว่าก็คือ อยู่ไปทำไมเกิดมาทำไมนี่เราไม่ใช่เป็นคนเลือกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดพ่อแม่ให้เราเกิดมาแต่ว่าอยู่ไปทำไมนี่เราน่าจะตอบได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นคนกำหนดเองเป็นสิ่งที่เราเลือกเองเราเลือกที่จะอยู่แล้วเราก็จะเรียกว่าเราเลิขิดชีวิตของเราเองก็ได้แล้วคนเราอยู่ไปทำไมถ้า ถามอย่างนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าตอบได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเองถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เคยถามนี้เลยก็ได้เกิดมาทําไมคนก็ไม่ค่อยถามกันแล้วอยู่ไปทําไมก็อาจจะไม่ค่อยได้ถามเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ตอบมันก็ตอบได้โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าถามคําถามนี้ว่าอยู่ไปทําไมคนก็คงจะตอบได้ว่าอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่ดี ทุกวันนี้คนเราไม่ได้อยู่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอยู่เพื่อให้รอดไปวันๆหนึ่งอย่างเช่นคนยากคนจนพวกที่หนีตายหนีสงครามเป็นผู้อุปยบลี่ภัยซึ่งมีอยู่มากมายคนยากคนจนที่ไม่มีอะไรจะกินพวกนี้เขาก็อยู่เพื่อให้รอดไปวันๆแต่ว่าสําหรับพวกเราในที่นี้ ถ้าจะให้เดาวก็คงจะเดาวได้ว่าอยู่เพื่อจะให้มีชีวิตที่ดีแล้วคำถามก็มีต่อไปว่าชีวิตที่ <ใน S 1> ดีคืออะไรสมัยนี้ก็มีคําตอบใหแ้แล้วว่าชีวิตที่ดีคือว่ามีเงินดีมีเงินดีมีงานดีแล้วก็อารมณ์ที่ว่ามีสุขภาพดีมีเงินดีก็ต้องอาศัยงานดีด้วยมีสุขภาพดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยาก โดยว่าคนไทยเวลาเราขอพรจากพระทำบุญก็อยากให้มีอายุวั น, นะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติแต่ก่อนก็มีบกพร4ประการตอนหลังก็เพิ่มอีกสองะเป็น6แต่ว่าของเดิมมีแค่สี่คืออายุวั น, นะสุขะพละอันนี้เป็นของเก่าของใหม่ก็เติม2เข้าไปมีปฏิพานธนสารสมบัติก็คือมีเงินดี มีเงินดีก็ต้องมีงานดีมีสุขภาพดีแต่เท่านี้พอไหมก็คงจะไม่พอก็ต้องมีครอบครัวดีด้วยการได้แฟนดีการได้ลูกดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ว่าจะมีทั้งหมดนี้ได้ก็ต้องมีอีกอย่างนึงเข้ามาด้วยคือว่ามีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีอันนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่ผู้คนก็ปรารถนากันแต่ว่า บางคนซึ่งอาจจะมีไม่น้อยเลยก็อาจจะสนใจเพียงแค่ขอมีเงินเท่านั้นเองถ้าฉันมีเงินแล้วนะอย่างอื่นฉันไม่สนใจแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยคือมีเงินแล้วก็มีสุขภาพดีแต่ไม่สนใจครอบครัวไม่สนใจเพื่อนเพราะโดยพราในยุคนี้เป็นเรื่องว่ายุคบริโภคนิยมทุกคนก็หวังความมั่งมีสีสุขแล้วถ้าจะให้เลือกแค่อย่างเดียวนี่ส่วนใหญ่ก็เลือกว่าขอให้รวย เพราะฉะนั้นพรที่อยากจะได้จากหลวงพ่อคูณเนี่ยก็คือบ้านที่อยู่แล้วรวยนี่คือพอรที่ใครๆก็อยากได้จากหลวงพ่อคูณกูขอให้มึงรวยนะนี่ก็เป็นคำที่อยากจะได้ฟังจากหลวงพ่อคูณกูขอให้มึงรวยแต่รวยแล้วมีความสุขไหมคนไม่ค่อยถามเท่าไหร่เพราะคิดว่ารวยกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งมันก็ไม่จริงใช่เพราะว่า รวยแล้วก็ไม่มีความสุขก็เยอะรวยแต่ว่าป่วยเป็นมะเร็งเนียมีประโยชน์อะไรรวยแต่เป็นโรคหัวใจนี่มีประโยชน์อะไรรวยแต่ว่าลูกติดยานะมีประโยชน์อะไรมีความสุขไหมถ้าแต่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะขอให้รวยเอาไว้ก่อนเพราะคิดว่าถ้ามีเงินแล้วนะสุขภาพเอ่ยหรือว่าครอบครัวมันก็จะตามมาแต่มันก็ไม่จริง เดี๋ยวนี้เราลืมไอ้สิ่งที่มันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้เราสนใจแต่สิ่งที่วัดเป็นตัวเงินได้นะทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นที่คนเรานะก็อย่างที่เรารู้กันถึงแม้มีเงินทองมากทั่งแค่ไหนก็ค่าตัวตายก็มีเยอะมีเงินมากแค่ไหนแต่ว่านอนไม่หลับกลุ้มใจแต่การนอนให้หลับนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลย แม้แต่หมาแมวนี่มันนอนหลับได้ง่ายๆแต่ว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่นอนไม่หลับทั้งๆที่มีเงินเยอะทั้เพียงแค่การมีเงินมากมายมันก็ไม่ใช่คําตอบและยิ่งมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ยิ่งแย่ข้าไปใหญ่มีคนนึงแกเป็นซีอนะก็เรียกว่ามีฐานะการเงินที่ดีแล้วก็ปรากฏว่าพอแก อย่าล้างกับภรรยาไปได้ไม่นานก็พบว่าตัวนี้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจก็เอาเราก็ต้องรักษากันแล้วไปหาหมอหมอก็ให้ยามาก็ทำตามที่หมอสั่งรวมทั้งการออกกาลังกายการคุมอาหารแต่ว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าโรคหัวใจก็ยังเป็นปัญหาอยู่เราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เสร็จ แ, แล้ววันหนึ่งก็ไปนค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็พบรายงานการวิจัยหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีชีวิตยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่สูงสิงกับใครมีโอกาสเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจมากกว่าคนธรรมดาถึงสเท่าพอเห็นงานวิจัยนี้ก็ตกใจเพราะว่ามันคล้ายกับตัวเองเลยนะตัวเองนี่ก็เรียกว่าไม่มีครอบครัวมีภรรยาก็ยา่า มีครอบครัวก็เลิกกันเพื่อนก็ไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมด้วยมันเป็นปัญหาของตัวเองก็เลยเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาและสิ่งที่แกทําก็คือว่าตัวเริ่มพยายามทียบไปพบปะผู้คนไปคบค้าสมาคมกับผู้คนมากขึ้นก็มีกิจกรรมอะไรที่เป็นงานสาธารณะก็ไปช่วยแต่ก่อนเก็บตัวเอาแต่ทํางานแต่หลังเนี่ยพอความตายมันเข้ามาใกล้ตัวนี้ก็เกิดความตื่นตัว ก็ไปช่วยเหลืองานส่วนรวมมากขึ้นมีเพื่อนมีมิตรสหายมากขึ้นก็ปรากฏว่าไอ้โรคหัวใจมันก็ทุเลาเบาบางไปเยอะเลยและไม่ใช่แค่นั้นก็รู้สึกมีความสุข ด, ด้วยแล้วเขาเกิดเลยบอกว่านี่ให้โรคหัวใจนี่เป็นสิ่งดีที่สุดอย่างในที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาถ้าพูดแบบภาษาแบบไทยๆคือว่าโชคดีที่เป็นโรคหัวใจนะเพราะว่ามันทาให้เขาเกิด การเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นมาหันมาเปิดใจหันมาสนใจคนอื่นมากขึ้นก็ทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจมาเห็นมาล้วอตรงนี้ก็ตอนอายุ ก, ก็หก60กว่าเข้าเป็นละอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพนี่ก็สัมพันธ์กับเรื่องของมิตรภาพเหมือนกันหรือว่าสัมพันธภาพอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าเป็น ปัจจัยให้เกิดชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขแช้เงินดีนี่มันไม่ใช่มีความสุขเสมอไปนะเงินดีแต่ไม่มีงานทำเพรา ะ, กระเกษียณนี่ก็ทุกเหมือนกันนะคนที่กเกษียณแล้วมีเงินเยอะแต่ไม่มีงานทำก็ทุกแต่บางคนนี่แค่ให้ไปทำอาสาสมัครแยกขยะที่ประเทศไต้หวันนี่มือที่ชื่อจีนี่เขาเป็นแหล่งที่คนไทยไปดูงานมาก ก, ก็มีงานนึงที่มีชื่อมากคืองานแยกขยะ ขยาไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติกขวดน้ำหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกนี้เขาเอามาแยกเอาชิ้นส่วนที่มีประโยชน์เอาไปขายต่อแล้วก็ได้เงินมาเป็นทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์สีขาวของเขาสถานีโทรทัศน์ตาไอมีชื่อมากเปิดเกือบ24ชั่วโมงสอนเรื่องคุณธรรมแล้วก็ โรงงานแยกยขยะของเขาซึ่งมีกว่าห้าพันแห่งนี้ก็มีอาสาสมัครเป็นคนแก่และคนแก่พวกนี้ก็เป็นคนมีฐานะที่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทําก็มานั่งแยกขยะแยกไปแยกมาก็มีความสุขบางคนถึงก็บอกว่าตัวเองนี่เป็นขยะคืนชีพคือทําไปทํามาไม่ได้ทําให้ขยะที่ตัวเองทําที่แยกนั้นมีมีคุณค่าขึ้นมาใหม่เท่านั้นแต่ว่ามันทําให้ตัวนี้มีคุณค่าขึ้นมาใหม่เพราะได้ทํางาน ไม่มีงานทํามีแต่เงินก็ไม่มีความสุขนะงนั้นมีงานดีต้องมีเงินดีก็มีงานดีงานดีในที่นี้ไม่ต้องเป็นงานที่มีมีรายได้เยอะๆแต่ว่าหมายถึงงานที่ทําให้ตัวมีคุณค่ามีครอบครัวดีมีสุขภาพดีแล้วก็มีมิตรภาพมีเพื่อนดีและสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่ทําให้เกิดชีวิตที่ดีแต่ถามว่าเท่านี้พอไหม ในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าไม่พอพุทธศาสนาก็ยอมรับนะว่าเงินเอ้ยสุขภาพเอ้ยครอบครัวหรือมิตรภาพนี่เป็นสิ่งที่ดีทางพุทธศาสนาเรียกว่านี่คือประโยชน์ชั้นต้นนะมีคําศัพท์เป็นภาษาบาลีวัทิถะธรรมิกถะฟังย่างนะแต่ว่าก็แปลว่าประโยช น, น์ชั้นต้นประโยช น, น์ปัจจุบันนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีพุทธศาสนาไ ม, ม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้ แต่เห็นว่าถ้าจะมีก็ต้องมีให้เป็นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าต้องรู้จักท ร, ร ม, มาหากินมีความเพียรพยายามเก็บหอมรอมริบนี่คือสิ่งที่พุทธศาสนาก็สอนสอนให้รู้จักธรร ม, มาหากินให้รู้จักเก็บรู้จักออมท่านสอนแม้กระทั่งว่าจะออมเท่าไหร่ได้มาแล้ว1ส่วนหนึ่งในสีก็ต้องไปใช้จ่ายนะเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัว อีกหนึ่งในสี่นะก็เอาไปใช้ลงทุนทำกิจการที่เหลือนี่ก็ใช้ในการเก็บเอาไว้สองในสีนี่ครึ่งนึงเอาไว้เพื่อลงทุนกิจการต่างๆต่ตตอไปหนึ่งในสีนี่ที่เหลือนี่คือก็เอามาเพื่อเก็บไว้ในยามที่ปัจจุบันทันด่วนครเจาสอนคละเอียดขนาดนี้นะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจะต้องจัดสรรปันส่วนอย่างไร แต่เท่านี้ยังไม่พ อ, อชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้เท่านั้นมันยังมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยชุตที่ดีกว่าคือก็คือชีวิตที่มีความสุขใจมีเงินดีมีงานดีมีสุขภาพดีมีเพื่อนดีครอบครัวดีมันยังไม่พอนะต้องมีความสุขใจด้วยบางคนก็ จ, จะถามว่าเอ๊ะถ้ามันมีเงินดีงานดี ครอบัวดีลมันก็ต้องสุขใจสิถ้ามันก็ไม่แน่นะเพราะว่าเราอาจจะมีเงินดีมีงานดีแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดีไม่พอเราอาจจะมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าหัวหน้ากองหัวหน้าแผนกหรือผู้อำนวยการกองแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอมันต้องมีตําแหน่งที่สูงกว่า น, นั้นเช่นเป็นอธิบดี เป็นอาิรรพีก็แล้วก็ยังไม่รู้สึ ก, กพอไม่มีความสุขเพราะว่าต้องเป็นประลัดกระทรวงเพราะแ้วเนี่ยเงินดีงานดีแต่ถ้าหากว่าใจนี่มันวางไว้ไม่เป็นหรือว่าไม่มีความพอก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขและคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็เหมือนกันการมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีกี่คนที่พอใจกับการมีสุขภาพดีเท่านั้น นะสุขภาพดีก็ไม่พอนะมันต้องสวยมันต้องสวยสวยแล้วก็ยังไม่พอเราต้องสวยกว่าเขาอันนี้เป็นเรื่องของใจแล้วคนที่มีความทุกข์เนี่ยจานวนมากที่เขาไม่ได้ทุกข์เพราะสุขภาพเขาไม่ดีนะสุขภาพเ็าดีไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เขาทุกข์นั่นนี่คือปัญหาของคนในปัจจุบันคือไม่ว่าจะมีดีแค่ไหนก็ออยังรู้สึกว่าดีไม่พอมีงานดีแต่ก็ยังดีไม่พอต้องมากกว่านี้ มีเงินดีแต่ก็ยังดีไม่พอต้องมีเงินมากกว่านี้มีสุขภาพดีก็ไม่พอต้องสวยต้องงามมากกว่านี้อันนี้คือปัญหาที่ทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็ไม่พอใจในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าวางจิตวางใจไม่เป็นผู้นั่นคือไม่มีความสุขใจนั่นเองชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ด้วยก็คือมีความสุขใจ ความสุขใจเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ได้ทําความดีอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าประโยชน์ชั้นสูงประโยชน์ชั้นสูงอยู่สัมประยิกาถะบางคนก็แปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์ภพหน้าโน่นให้ตายไปแล้วโน่นอึง่แค่ประสบก็ได้เหมือนกันอันนี้ประโยชน์ชั้นสูงนี่จะได้มาอย่างไงนะก็ได้จากการทําความดีต้องมีศีล น, นะต้องรู้จักแต่งปันคือจาคะ ต้องมีปัญญาปัญญารู้จักมองถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์กับเรื่องที่ไม่เป็นสาระได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าใจนี่เขาคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นเขามีมากกว่าเรามีเงินดีกว่าเรานะอันนี้มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับปัญญาด้วยคือการรู้จักมองและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีศรัทธา ศรัทธาคือความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามถ้าเรามี4อย่างนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะหรือที่ง่ายคือทานและมีปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วการที่เรามีความสุขใจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เงินก็ดีงานก็ดีสุขภาพก็ดีมันดีขึ้นนะคนถ้าไม่มีความสูงน่เช่นเครียดเนี่ยพอเครียดในสุขภาพก็แย่ หรือว่าถ้าไม่ได้ทําความดีไว้เนี่ยให้งานการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีความเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลเราก็ไม่มีเพื่อนแม้แต่การที่มีชีวิตยืนยาวเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยความดีนะอาศัยความดียังต่ําๆก็ศีลเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเช่นกินเหล้าเนี่ยนะถึงแม้จะมีงานดีเงินดีนะแต่ว่าสุขภาพก็แย่ แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการกินเหล้าไอ้เรื่องบุญเกื้อ <c oughs> คุณกุศลนี่เป็นเรื่องสําคัญบางทีมันหมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวเนื่องจากการทาความดีด้วยเคยมีนิทานนี่ที่เขาพูดกันพูดถึงคนคนหนึ่งนะเขาเป็นหญิงรับใช้ในบ้านของเศรษฐีแล้วก็วันหนึ่งเพื่อนของเศรษฐีก็มาก็มาเยี่ยมเศรษฐี ก็มาสังเกตเงเฮ ง, งของหญิงรับใช้คนนี้ว่าจะมีชีวิตที่สั้นอายุสั้นอาจารย์คนนิสิตษาคนนี้ก็เป็นคนที่ดูคนได้แม่นมากเมื่อเศรษฐีรู้เช่นนี้นะก็เลยคิดว่าไหนๆเขาจะต้องตายภายในเวลาไม่นานก็น่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ตายที่นั่นน่าจะดีกว่าได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะก็เลยออกอุบายให สาวใช้นั้นเนี่ยกลับบ้านไปบอกว่าไปพักผ่อนนะให้ไป ท, ทําธุระที่บ้านเสร็จธุระแล้วก็ให้กลับมาไอ้สาวใช้นั่นก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเนี่ยอายุสั้นแกก็กลับบ้านไปสมัยนั้นก็ต้องใช้วิธีการเดินเท้าเดินเท้ากลับไปบ้านซึ่งอยู่ในชนลำบดระหว่างทางนี่ก็ปรากฏวไปเจอหนองน้ำซึ่มันแห้งแกก็เลย เห็นปลาที่มันกลังจะตายหลายตัวเลยมันติดปักอยู่ก็เลยช่วยปลาเอาไว้เอาไปปล่อยในสระในหนองที่มันมีน้ำมากกว่าแล้ว ก, กลับบ้านไปที่บ้านก็ดีใจที่ลูกสาวกลับมาก็อยู่ที่บ้านนาเรนนะ2 อ, อาทิตย์มอาทิตย์ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับสาวใช้คนนี้พอแกทำธุระที่เจ้าของบ้านฝากมาให้เสร็จแกก็กลับกลับไป ที่บ้านเศรษฐีที่เคยทำงานด้วยเศรษฐีเห็นก็ตกใจเพราะคิดว่าเขาคงจะไม่มีชีวิตรอดมาถึงตอนนั้นได้สินแสก็แปลกใจว่าทำไมก็ถึงรอดมาได้ก็เลยถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นในรองทิ์กลับบ้านไปในรองที่อยู่บ้านได้ทำอะไรไหมสาวใชก้ก็เล่ายฝ้ฟังว่าทำอะไรบ้างแล้วก็เล่าถึงทีตืองไปช่วยจับปลา ที่กำลังตายเนี่ยเอาไปปล่อยหนองทินแซเห็นก็ได้ยินงั้นก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุ น, นี้เป็นเพราะที่เขาได้ทําความดีมานี่เองที่ทําให้เขายังมีชีวิตได้ยืนยาวต่อไปได้เรื่องนี้ก็ได้ยินมาหลายปีแล้วก็คิดว่าเป็นนิทานนะที่ ส, งส่งเสริมให้คนทําความดีแต่ว่าสัก3ามี่ปีก่อนก็ได้ยินเรื่องราทํานองนี้เนี่ยจากพยาบาลคนหนึ่งพูดถึงหมอที่ว่ายน้ําแล้วก็เกิดจมน้ํา จมน้ำอยู่ในสระนี่แหละอยู่นานทีเดียวก็คงจะหลายนาทีอ่ะอาจจะมากกว่า10นาทีด้วยเอาขึ้นมาได้เนี่ยปรากฏว่าต้องกู้ชีวิตกันเป็นการด่วนต้องมีการปั๊มหัวใจพอปั๊มหัวใจมันก็ ก, ก็ทำงานนะแต่ว่าสักพักก็หัวใจก็ํำถ่าจะหยุดเต้นใหม่ก็ต้องปั๊มกันอีก้พยาบาลคนนี้เราว่าเนี่ยต้องช่วยเนี่ยนานเจ็ดแชั่วโมงเียกว่าเจ้าตัวนี้จะกลับมาเป็นปกติ แล้วก็สมองก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าเขารอดมาได้อย่างไรต้งได้ช่วยนานมากและวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยววัดป่าแห่งหนึ่งแถวเชียงใหม่พอไปเยี่ยมไปที่กุฏิแห่งหนึ่งเห็นไม้เท้านะอยู่หน้ากุฏิก็สะดุดใจเพราะว่าไอตอนที่เขาสลบอยู่นั่นเนี่ยหรือเรียกว่าตายไปอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเห็นไม้เท้านี้หรือฝันเห็นเป็นนิมิต ก็เลยไปกราบหลวงพ่อที่เป็นเจ้าของไม้เท้าแล้วก็เลยคุยกันเขาก็เล่าเหตุการณ์เขาให้ฟังเขาไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขารอดมาได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าเนี่ยไอตอนที่ก่อนที่เกิดเหตุไปทําอะไรมาบ้างหรือเปล่าเขาก็เล่าว่าเขาไปเห็นมดหลังมดเนี่ยมันตกน้ําแล้วเขาก็ไปช่วยมดทีละตัวทีละตัวให้ขึ้นมาจากฝัง่งเกือบทั้งรังเลยแลหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้นะ การทำความดีของเขาเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เขามีชีวิตยืนยาวขึ้นทำให้เขาไม่ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับ น, นิทานที่เล่าที่ลอยฝังเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าบุญบุญเนี่ยการที่เราทำบุญทากุศลเนี่ยมันก็ไม่เพียงทำให้มีความสุขใจเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นตัวหนุนทำให้ถึง ท, ที่เรียกว่าปัจจัยความสุขขั้นต้นเนี่ย เช่นสุขภาพเนี่ยหรือว่าอายุเนี่ยมันยืนยาวต่อไปได้แล้วคนเราถ้าเกิดว่าเราทำแต่ประโยชน์ชั้นต้นคือเอาแต่ทำมาหากินสนใจครอบครัวแต่ว่าเราไม่สนใจทำความดีนะไม่รักษาศีลหรือว่าไม่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็ไม่ทำให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนมันก็สุขแต่กายแต่ไม่สุขทางใจ อันนี้เพราะนั่นการที่เราจะหวังเพียงแค่ว่ามีชีวิตที่ดีมันไม่พอมันต้องมีชีวิตที่ดีกว่าด้วยมันถามว่าแค่นี้พอไหมก็ยังไม่พออีกนะมันยังมีชีวิตที่ดีที่สุดขั้นหนึ่งดีแล้วไม่พอต้องมีดีกว่าดีกว่าไม่พอต้องมีดีที่สุดชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่เข้าถึงความจริงของชีวิตหรือว่าประจักษ์แจ้งในศาสนาธรรมจนกระทั่งเข้าถึงสุขที่สุดสุขที่สุดเนี่ยคือนิพพานนั่นเอง นิพพานนี่คือปรมาถะประมาถะคือประโยชน์ขั้นสูงสุดนิพพานคือความสงบเย็นสงบเย็นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําสารเสริญเยือนยอเป็นชีวิตที่มีความสุขได้ท่ามกลางความผันผวนป่วนแปลกของชีวิตชื่อมันมีอย่างที่เรารู้กันมันมีก็มีความไม่แน่นอนเยอะ มันมีเกิดมีตายมันมีได้มีเสียมีพบมีพรากมีเจอมีจากไอชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้คือถ้าได้ก็มีความสุขถ้าเสียก็ทุกข์ถ้ามีสุขภาพดีก็มีความสุขถ้าเจ็บป่วยก็ทุกข์แล้วก็ชื่นคนเราไปชีวยที่ปล่อยใจให้ขึ้นลงไปตามเหตุการณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็หาความสุขได้ยากหรือไม่มีความสุขที่ยั่งยืน สิ่งที่เราเลือกประโยชน์ชั้นต้นเนี่ยก็คือเงินดีงานดีสุขภาพดีครอบครัวดีมิตรภาพดีเพื่อนดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยไม่ว่าเราจะมีงานดีแค่ไหนสักวันหนึ่งก็ต้องไม่มีงานทําเป็นกเกษียณพราะแก่แต่บางคนไม่อยอมรับความจริงนะคนแก่งันอายุ 70-80 ก็ยังต้องหาอะไรทําเพราะว่ามันชินเสร็จแล้วนะไม่มีงานทําก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุข สุขภาพไม่ดีก็ยังต้องพูดเรื่องงานพอไม่มีใครพูดเรื่องงานด้วยก็ง่อยเหง า, หงาอยังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะซึ่งเราเป็นถ้าเอ่ยชื่อก็มีชื่อเสียงก็เป็นคนที่ดิเริ่มอะไรต่างๆที่น่าสนหลายอย่างเกี่ยวภูมิปัญญาชาวบ้านนะแต่พอป่วยเป็นนามพฤกษ์มีปัญหาด้านสุขภาพทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เริ่มง่อยแล้วยิ่งแต่ก่อนนี้มีคนมาคุย มาคุยปรึกษาเรื่องงานแกก็สนุกสนานแต่พอป่วยก็ไม่ค่อยมีคนมาอยากคุยเรื่องงานก็ไม่มีคนอยากคุยด้วยเพราะเห็นว่าสุขภาพไม่ค่อยดีก็รู้สึกหงอยอันนี้มันเป็นมันสิ่งที่ทุกคนต้องเจอถ้าเกิดว่ามีอายุยืนขึ้นหรือถึงแม้มีครอบครัวดีแต่ว่าก็ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันถ้าไม่ตายก่อนเราเราก็ต้องตาย ก่อนเขามันก็มีแค่นั้นแหละในชีวิตแบบนี้เนี่ยวัตจักรแบบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตนะจนกระจ่างแจ้งนะจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่า ย, ยึดถือเลยเรียกว่าปล่อยวางได้อันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าถึงความสุขเรียกสุขเหนือสุขนะทางพุทธศาสนาก็เรียกว่านิพานอันนี้คือประโยชน์ขั้นสูงสุด ที่คนเราเนี่ยควรจะเข้าถึงให้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าสุกๆุดิบดิบนะมันไม่แน่นอนความสุขที่เรามีในวันนี้เราไม่มีความแน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้จะทุกข์หรือเปล่าแม้แต่ชีวิตของเราในวันนี้เราไม่มีทางรู้หรือแน่ใจเลยว่าพรุ่งนี้เรายังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าบางคน อาจจะไม่มีโอกาสเห็นวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าชาติหน้ามาก่รตรงนี้คือความจริงของชีวิตที่คนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตเกิดปัญญากระจ่างแจ้งจงกระทั่งปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์ในประไตรปิดกนี้มีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของนางมลิกานางมริกานี่เป็นภรรยาของเสนาบดีชื่อพันธุละ ก็เป็นเสนาบดีที่พระราชาเนี่ยไว้ใจมากเพราะมีความเก่งกล้าในการสงครามแต่ว่าต่อมาเนี่ยพระราชาไม่แน่ใจเกิดระแวงว่าพันธุลานี้ก็จะคิดการใหญ่มาเป็นปฏิปักษ์ก็เลยล่อล่อให้ไปทำสงครามนะซึ่งเสี่ยงอันตรายมากปรากฏว่าพันธุล้าก็เก่งน่าเอาชนะได้ก็เดินทางกลับมาสู่ราชธานี ในระหว่างนั้นเนี่ยพอรู้นางมาริกานี่ก็เตรียมต้อนรับนะสามีก็มีการทําบุญกันด้วยก็นิมนต์พระสารีบุตรมามาด้วยนะก็เรียวมาทําบุญเล้งพระให้เป็นสลิมงคลในระหว่างที่ก็กําลังทําพิธีอยู่นะก็มีคนส่งข่าวด่วนมานางมาริกาก็เปิดอ่านจดหมายเปิดอ่านจดหมายเสร็จนางมาริกาก็ไม่ได้มีอากกลับกิริยาอะไรแล้วเก็บจดหมายนั้นเอาไว้ นะไว้กับตัวเสร็จแล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระต่อในระหว่างนั้นเองเนี่ยคนชายที่กาลังถือถาดนะถือแก้วอยู่เนี่ยเกิดทำแก้วตกจานแตกนะเสียงดังสนั่นเลยหลายจานพระายะบุญเห็นนะก็เลยบอกนางมริกาว่าของมันแตกได้นะอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปเสียใจอะไรที่ของแตกนางมริกาบอกว่า อย่าว่าแต่ของแตกเลยแม้ว่าสามีของดิฉันเนี่ยนะเพิ่งได้ข่าวเมื่อกี้นี่เองว่านะถึงแก่ความตายแล้วเพราะว่าถูกลอบฆ่าจางตัวพระราชาแม้ได้ข่าวว่าสามีของดิฉันเนี่ยเพิ่งตายไปนะดิฉันก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยนะอย่าว่าแต่แก้วแตกเลยผนะัวผตายก็ยังจิตก็ยังไม่หวั่นไหวนะเพราะว่า ปัญญาของนางมาลิกานี่ก็เลยว่าได้เข้าถึงความเป็นอริยะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้วันไหวอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างว่าของคนเราเนี่ยนะไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาเลี้ยงรับสามีแต่ปราว่าตายซะแล้วแต่ก็เห็นว่ามันก็เป็นธรรมดานี่คือชีวิตของผู้ที่เข้าถึงประโยชน์ท่านสูงสุดที่เราปรมามัตถะ ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงตรงนี้มันก็ยังมีจิตใจที่มีโอกาสเป็นทุกข์ได้กับความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งมันเป็นธรรมดามากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้เข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญมากต้องถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งของชาวพุทธจะไปพอใจเพียงแค่ว่ามีชีวิตที่ดีอย่างเดียวไม่พอหรือมีชีวิตที่ดีกว่าก็ยังไม่พอ ถึงแม้ว่าเก่งในการทำบุญทำบุญเรียกว่าเสียสละมาแต่ก็ยังเป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์ว่าสิ่งที่ตัวเองทาบุญไปนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอหรือว่าทำความดีไปแล้วคนไม่เห็นความดีของเราอันนี้ก็เป็นปัญหากับคนที่ทำความดีคนยังไม่เห็นความดีของเราหรือยังไม่ไรับการยอมรับสรรเสริญเรายัางติดอยู่กับความชื่ชนชมสรรเสริญอยู่เพราะนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญาเป็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สมมุติมันเป็นสมมุติแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงยึดถือให้มันเป็นสิ่งแน่นนอนตายตัวไม่ได้เห็นปัญญาจนทั้งปล่อยวางได้อย่างถึงที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขขั้นสูงสุดได้ที่เรียกว่าปรมาถาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ไปทําไมก็อย่าพอใจเพียงแค่ว่าอยู่เพื่อให้มันมีชีวิตที่ดีๆท่านั้น แต่ว่าควรจะไปให้ถึงชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงชีวิตที่ดีที่สุดถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะเรียกว่าคุ้มค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถจะไปถึงตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโล ก, กุตตรธรรมเนี่ยหมายถึงจิตใจที่พ้นโลกเหนือโลกเหนือโลกธรรมเนี่ยเหนือความพันผ่วนแปะป่วนเนี่ยโล ก, กุตตรธรรมเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์ของทุกคน เป็นสมบัติของทุกคนมีในทุกคนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อันนี้แหละคือน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธทุกคนนะก็คือการมีชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่สุด